สวัสดีค่ะคุณวิรชนค่ะครับสวัสดีครับพอดีว่าเพิ่งเข้ามาฟังห้องนี้เห็นเป็ น, น, ปนพ่ อ, อพัดเข้เห็นงเห็นกำลังสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องสภาวะาสภาวะธรรมเกี่ยวกับ พ, พุทธพุทธะใช่ไหมครับใช่ค่ะสภาวะรู้การรู้ตัวการมีสติะนะผมคันนี้ไม่มีอะไรมากคือว่า ออยากจะเล่าประสบการณ์ที่ที่ผมปฏิบัติมาเผื่อเป็นกรณีศึกษาเผื่อจะไปพิจารากันต่อได้นะครับว่าเป็นเกียดมากค่ะครับ ค, คือในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมศึกษานะครับคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นะฮะที่หลวงพ่อท่านเมตตาพูดเมื่อกี้เนี่ย จริงๆ จ, จะบอกว่าไม่ปฏิบัติก็ได้ในความเห็นของผมนะหรือจะบอกว่าปฏิบัติก็ได้นะถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเลยตัวถึงสุดของมันก็คือตัวที่เป็นอสังขตะธรรมเนี่ยอสังขตะธรรมเนี่ยก็แปลว่าธรรมที่ไม่ได้ถูกสิง่งใดปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้ถูกสิง่งใดปรุงแต่งขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สังขาร น, นะอสังขาร นะครับมันก็ไม่มีนะเมื่อมันไม่มีมันก็ที่ต้องที่จะต้องทําอะไรมันก็ต้องปรุงใช่ไหมครับที่จะต้องทำอะไรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกระ บ, บวนการที่จะเกิดสังขารขึ้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องมีการรับรู้ก่อนใช่ไหมครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูอ่าเอาภาพรวมเลยนะฮะภาพรวมเลยทําจริงๆก็มีอยู่สองอย่างมีนามธรรมากับรูปธรรมนะค่ะอ่าหรือจะแบ่งเป็นสองอ่างนี้ก็ได้ว่าอาสังกตธรรมกับสังกตตธรรมก็ได้ ใช่ค่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่อ่จะทําให้เห็นและเข้าใจง่ายๆในในความเห็นของผมนะครับก็คือเราต้องรู้จักนามธรรมากับรูปธรรมก่อนสองตัวนี้มันตัดตรงไหนนะครับรูปธรรมเนี่ยมันรับรู้อะไรไม่ได้นะมันรับรู้มันเห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้ได้กลิ่นไม่ได้นะครับรับเย็ยนร้อนสองอ่าเย็ยนร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไม่ได้ นะครับคิดไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ถ้านำมาทาทุกชนิดอย่างน้อยต้องมีการรับรู้นะครับรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้นะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ได้นะครับมีรับรู้นะกระบวนการการของนําประทำจะเริ่มจากรับรู้รับรู้แล้วก็เกิดสัญญาความจำได้หมายรู้นะมีสัญญานะครับมีความจำได้หมายรู้ต่อมาก็าสัญญาความจำได้หมายรู้ ไปคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไปคิดนะเพราะฉะนั้นความความคิดก็มาจากสัญญาสัญญาก็มาจากความรับรู้นะครับอ่ะมาความคิดเสร็จแล้วก็คิดปรุงไปปรุงไปก็อาจจะเกิดทนานะสุขเวทนาทุกขเวทน า, ทนาอุเบกขาเวทนาอะไรก็ว่าไปนะกระบวนการการปรุงแต่งทางนามธรรมาเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าในการปฏิบัตินะครับที่ผมทํามาเนี่ย mm hmm. ก็ดูไอ้ตัวสภาวะธรรมตรงนี้ให้มันชัดนะครับโดยเฉพาะนะตัวนามธรรมรูปธรรมมันไม่มันเป็นสิ่งที่เห็นชัดอยู่แล้วรูปธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสังขารทั้งสิ้นยกเว้นความว่างเปล่านะครับความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอสังขตาธรรมก็ได้เพราะมันไม่ถูกอะไรปรุงเหมือนกันนะครับความว่างเปล่าเนี่ยเหมือนกับถ้าในเชิงรูปธรรมเนี่ย จะบอกว่าเป็นอสังกตะธรรมในเชิงรูปธรรมก็ไดนะ้ความว่างเปล่านะตัวความว่างเปล่าที่เป็นสเปซนะที่เป็นไร้ขอบเขตเนี่ยนะนะเพราะว่าถ้าเตะจั ก, กรวาลออกไปเตะดวงดาวไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เหลือความว่างเปล่าอยู่เราไม่สามารถเตะความว่างเปล่าไปไดไ้เราไม่สามารถกําจัดมันได้นะแต่ว่าถ้าามาเทียบกับนามธรรมแล้วความว่างเปล่าในเชิงนามธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือการที่ตเตะออกไปหมดเกือบหมดเหมือนกันนี่แหละเตะอะไรไปบ้าง เตะตั้งแต่สัญญานะครับความคิดเวทนาอะไรต่างๆออกไปจนเหลือสุดท้ายแล้วก็คือความรับรู้นะความรับรู้เป็นบอกเกิดของสังขารอ่าที่เป็นนมามธรรมทั้งปวงถ้าไม่มีความรับรู้เสร็จแล้วก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีความปรุงแต่งอะไรต่อจากความคิดต่อฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าสำคัญนะที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้ก็คือสาภาวะ การรับรู้หรือตัวรู้เนี่ยนะครับจริงๆมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีตัวนะเพราะว่าอันที่แเรียกให้มันไม่รู้จะใช้ภาษายังไงนะให้มันจริงๆมันไม่มีรูปมีร่างนะสภาวะการรับรู้เป็นนมามธรรมทีนี้เราดูยังไงนะการรับรู้รับรู้การเห็นการได้ยินนะการลิ้มรสการรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะครับแล้วก็การรู้ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยการรับรู้ทั้งหมด นะวิธีการดูไม่อาจจะเหมาะกับบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะกับบางคนนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยเพียบพูดง่ายว่าให้ดูการเห็น่ะดูการเห็นดูการได้ยินอ่าดูการริ้มรถนะการรับรถดูการรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ถ้าเท่ากับเราเห็นทะลุทะลวงไปถึงไอ้ตัวนามธรรมาแล้วแล้วถ้าเห็นถึงขนาดที่ว่าเห็นสภาวะการเห็นสัก์แต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบได้รู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับเห็นตัวความก่อนที่จะเกิดสังขารทั้งปวงเลยตัวนี้เป็นตัวอสังขตธรรมโดยแท้เพราะว่าหลายพราะการรับรู้เนี่ยในเสี่ยววินาทีที่ในขณะที่รับรู้โดยที่ยังไม่จําไม่คิดเนี่ยตัวนั้นแหละคือตัวดั้งเดิมที่สุดทํานองเดียวกับความว่างเปล่าที่มันมีมาก่อนทุกสุขสิ่งมีมาก่อนรูปธรรม ท, ทุกอย่าง่ okay. ไอ้ตัวนามธรรมก็เหมือนกันความรับรู้ก็มีมาก่อนความรับรู้เฉยๆเนะี่ยศักยวารู้แต่มันไวามากไงคนเรามันชินสรรพสัต์ทั้งหลายชินที่จะรับรู้แล้วก็จําแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าไวถึงขนาดเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเห็นนามธรรมตัวดั้งเดิมของมันเลยนะครับนา ม, มาธรรมดั้งเดิมผมไม่รู้จะไม่รู้จะเรียกไงนะครับแต่ไม่ค่อยอยากจะเรียกว่าจิต ด, ดั้งเดิมเพราะว่าจิตมันต้องตามหลักอริธรรมเนี่ยจิตต้องประกอบกับจิต เสมอนะครับก็มีโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตเลยพวกเนี้ยเจียนในว่าจิตมีแปดสิเก้าอย่างร้อยิบอดอย่างอะไรก็ตามนะตามตำราเนี่ยมันต้องมีสังขารประกอบด้วยเสมอก็คือเจตสิกเป็นตัวสังขานรนะแต่ว่าถ้า พ, พูดถึงตัวรับรู้เ e e l peel เนี่ยผมเลยไม่อยากจะใช้คําว่าจิตแต่ผมขอเรียกมันเรียกว่านามธาตุ ด, ดั้งเดิมเลยแล้วกันนะดั้งเดิมมันดั้งเดิมเพราะว่ามันก่อนมันมีมันรู้ได้ไหมคะอย่างนั้นก็ได้ครับจะเรียกไงก็ได้นะที่มันแสดงว่าการรับรู้ เปลี่ยวๆอ่ะรับรู้สักแต่ว่ารู้โดยที่ยังไม่จำนะฮะโดยที่ยังไม่จําเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าพูดํานองในเชิงรูปธปรรมก็คือลองจินตนาการถึงจักรกวาลที่มีอยู่ตอนนี้ยมีดวงดาวมีอะไรต่างๆเนี่ยค่<ฮ>ะเราเตะดวงดาวออกไปทั้งหมดเตะอะไรสรรพสิ่งทั้งหลายออกไปทั้งหมดในจักรกวาลเนี่ย <ฮะ S 1> มันเหลืออะไรครับ <ฮะ S 1> เหลือความว่างใช่ไหม <ฮะ S 1> เหลือความว่างที่ไร้ขอบเขตถูกไหมครับเราเตะความว่างออกไปได้อีกไหมเรากําจัดออกไปได้อีก ไ, ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมครับ <ancer. S 1> แล้วความว่างนี้เราหาจุดตั้งต้นได้ไห ม, ไมไหาจุดสิน้นสุดมันได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะน่ะทำนองเดียวกันไอตัวธาตุรู้หรือนามธาตุดั้งเดิมในเชิงอันนี้คือเชิงรูปธรรมนะแต่แถ้าในเชิงนามธรรมธ า, าตุรู้หรือนามธาตุดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็ทํานองเดียวกันค่ะมันไม่มีจุดตั้งต้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่ามันมีก่อนสังขารทังปวง เออมันจะมีจุดตั้งต้นมีจุดสิ้นสุดมีการเวลาได้เมื่อมีการเมื่อหาจุดตั้งต้นมันได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจึงมีความชรามันจึงมีชาติชรามรณะมันจึงมีเวลาเกิดขึ้นนะครับมันจึงมีความรู้สึกนานนะหรือเร็วมันจึงมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์แต่ถ้าตัวเพียวๆของมันอะกจัดดวงดาวไปทั้งหมดเหลือความว่าง นะทำนองเดียวกับกำจัดความคิดนะครับกำจัดความปรุงแต่งกำจัดความคิดกำจัดสัญญาออกไปนะอันนี้คิดในเชิงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปยึดว่าต้องต้องกำจัดนะครับแต่ในเชิงที่ว่าถ้าเทียบดูมันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเหลืออะไรเปียวๆอยู่ก็คือความรับรู้เรากำจัดความรับรู้ไปได้ไหมถ้ากำจัดความรับรู้ออกไปมันก็สิ่งนั้นมันก็ไม่มีไม่ไม่ใช่นามมาทำแล้วไม่ใช่นา ม, มาธาตุนะไม่ใช่นำธาตุดั้งเดิมไม่ใช่ธาตุรู้แล้วเพราะนั้นเนี่ย ธรรมชาติสองสิ่งนี้นามธาามกับรูปธระทเนี่ยมันเป็นของที่มาคู่กันตั้งแต่แรกแต่จะบอกว่ามีไม่ได้ถ้าจะพูดว่ามีเนี่ยมันต้องมีการเกิดขึ้นแต่ถ้าถ้าจะบอกว่ามีแบบไม่มีอ่ะอันนี้ได้ในความเห็นของผมนะแต่เราต้องใช้ภาษาในการสื่อสารและภาษาเนี่ยมันต้องใช้การปรุงแต่งผมอยากจะบอกว่ามันมีแบบไม่มีอ่ะ แต่จะบอกไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีเลยเขาก็จะโอบอาจจะคนอาจจะคิดไปถึงว่ามันมัน impossible อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องขนาดนั้นมันมีแบบไม่มีแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับนาำตัวนำมาทำนามาท่าเดิมมันมีแบบไม่มีไม่มีอะไรไม่มีการปรุงแต่งนั่นเองไม่มีไม่มีการปรุงแต่งไปจากของเดิมการปรุงแต่งมันก็ชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันต้องมีของเดิมอยู่ค่ะนะครับมีสภาวะเดิมอยู่แล้วก็มีการปรุงไปจากของเดิมฉะนั้นจะเป็นการปรุงในเชิง รูปธรรมหรือนามธรรมก็ต้องมาจากไตัวของเดิมนี้ทีนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เข้าไปชัดๆเนี่ยนะก็ถือได้ว่าเห็นนามธรรมนามธาตุนี่แหละนามธรรมเนี่ยหรือนามธาตุมีอะไรบ้างนะครับก็มีจิตเจตสิกนะความคิดนะครับเวทนาสติปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นนามธรรมทั้งสิ้นอะไรที่ต้องอาศัยพื้นฐานมาจากการรับรู้เนะี่ยสิ่งนั้นนะคือนามธรรมหมดนะฮะแต่ถ้าอะไรที่มัน ไม่ต้องมันรับรู้ไม่ได้อะอันนั้นก็คือรูปธรรมนะแม้กระทั่งความว่างเปล่าเฉยๆเนี่ยมันก็รับรู้อะไรไม่ได้ก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นรูปธรรมแบบชนิดที่ว่ามีอยู่แบบไม่มีอนะดัะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามองชัดๆเนี่ยในประสบการณ์ของผมเนี่ยวิธีการดูง่ายๆนะครับมันอาจจะยากนิด น, นึงนะอาจจะเหมาะกับคนบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะคนบางคนก็ได้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าเร า, เาก้อนหินมาก้อนหนึ่งนะครับเราเอาไฟมาเผาก้อนหินเนี่ย ก้อนะนหินไม่รู้สึกร้อนใช่ไหม αι? เอารูปมาวางก้อนตรงหน้าก้อนหินก้อนหินก็ไม่เห็นใช่ไหม αι? นะครับเอาลำโพงมาเปิดข้างๆก้อนหินก้อนหินก็ไม่ได้ยินนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเอารูปมาวางตรงหน้าเราเอาเสียงมาเปิดข้างๆเราเอาไฟมาเผาเราเนี่ยนะเผาเผาสิ่งที่มีน้า <S <S 1> <S 1> มาทําอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเห็นน่าจะต้องได้ยินจะต้องรู้สึกร้อนได้แต่ก้อนหินเนี่ยถูกเผาเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาได้เหมือนกัน นะก็เกิดปฏนติยาที่มันเป็นการเผาไหม้นะฮะอาจจะเกิดคราบดําหรืออะไรก็ว่าไปหรือจะเกิดการเผาจนมวลมันน้อยลงไปนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยแต่แต่ไม่ใช่เรื่องลักษณะของการรับรู้อารมณ์นะแต่ว่าการเห็นการได้ยินนะครับการรับรู้ความรู้สึกร้อนเนี่ยคือการรับรู้อารมณ์ฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆได้ว่าถ้าถ้าพอจันุมาณ น, นะถ้าจะใช้พอภาษาพูดได้บ้างเนี่ยว่าเราจะดูนามธาตมหรือดูจิตนะได้ยังไงเนี่ย นะก็ดูสิ่งที่มันก้อนหินมันไม่มีอะก้อนหินมันไม่มีดูการเห็นดูการได้ยินตรงเราก็จะเห็นตัวไอไอสภาวะที่เป็นนามธรรมาหรือสภาพการรับรู้ตรงนี้พอเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสติมันมาเองนะสติคืออะไรสติคื อ, ค, อคือการระลึกรู้ระลึกรู้อะไรปกติเราจะอยู่กับสัญญาใช่ไหมครับอยู่กับสัญญาความคิดปรุงแต่งเนี่ยทันทีที่เรารับ รับรูปจางตารู้รูปจังตาได้ยินเสียงหูเจ๋นได้ว่าสัญญาเนี่ยนะครับสมมติว่าคนสองคนนายกรนายขอเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งความสัญญาเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แม้จะเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันนะครับแต่สัญญาสองคนนี้ใช่ไหมครับถูกไหมค่ะความจําได้หมารู้ในในผู้หญิงคนเนี้ยของนายกรนายขอจะต่างกัน ต่างกันที่อะไรต่างกันที่ประสบการณ์ความรับรู้คนหนึ่งนายกรจะบอกว่านี่สวยอีกคนบอกไม่สวยคนนี้นายกอจะบอกว่าเฮ้ยนี่หน้าคล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่เรารู้จักมาไอไอนายขอจะไม่รู้จักเลยแต่ว่าอาจจะบอกว่าหน้าคล้ายอีกคนหนึ่งก็ได้ฉะนั้นเวลาผ่านไปความทรงจําเกี่ยวกับผู้หญิงคนเนี้ยของนายกรนายขอเนี่ยนะก็ต่างกันจริงๆก็ต่างกันแต่ครั้งแรกก็แหละนี่คือสัญญาสัญญาเนี่ยพระพุทธองค์เปรียบเสมือนอุปมาเปรียบเสมือนพยับแดด นะครับแต่สัญญาเนี่ยสำคัญเพราะสัญญาเป็นวัตถุดิบของการของสังขารสัญญาเป็นวัตถุดิบของการคิดนะครับการคิดต้องใช้ความจำได้หมายรู้เป็นพื้นฐานเพราะนั้นเนี่ยสัญญาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบของการคิดการคิดเป็นความเป็นวัตถุดิบของการปรุงเป็นความรู้สึกสุขทุกข์อะไรต่อไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสัญญาเนี่ย พุทธองเปรียบเสมือนพยับแดดพอไรพยับแดดนี่ก็เหมือนเปรียบเสมือนเวลาเราขับรถไปตอนกลางวันแดดร้อนไปตามถนนเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆมีแอ่งน้ำมีอะไรงี้ะเลยีประยับหน่อยใช่ไหมครับแต่พอเข้าไปถึงมันจริงๆแล้วไม่เจอใช่ไหมค่ะแต่จะบอกไม่มีได้ไหมก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดนะเพราะมันเห็นนี่นะครับไม่ได้ไม่เจอนะมันเป็นมายาอย่างหนึ่งสัญญาก็เป็นมายาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมนุษย์สประสัท์ทั้งหลายเนี่ยก็จมอยู่ในสัญญา มีความเคยชินส่วนใหญ่ก็จะจมอยู่กับสัญญาความรับรู้ในจิตของเขาก็คือรายละเอียดของสัญญาความจำได้หมรู้ก็คือรายละเอียดของการของการความคิดอ่ะมีแต่รายละเอียดของความคิดอยู่ในความรับรู้แต่ว่าไม่มีอาการของการคิดอยู่ในความรับรู้เลยไม่รู้ว่ากำลังคิดรู้อย่างเดียวคือรู้ว่ารู้รายละเอียดที่คิดแต่ไม่ได้รู้ว่ากาลังคิด การรู้แต่รายละเอียดที่คิดโดยไม่รู้ว่ากําลังคิดวินาทีนั้นก็คือไม่มีสตินะท่านิยามว่าสติคือการระลึกรู้นะครับการระลึกรู้นี่คือหมายถึงว่ารู้รู้สภาวะปัจจุบันขนาดนั้นน่ะรู้ว่ากําลังวิ่งอยู่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่รวมทั้งรู้ว่ากําลังคิดอยู่แต่ถ้ารู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่นี่ไม่ใช่นะสมมุติว่าคิดถึงใครคนหนึ่งเนี้ยแล้วบอกว่ารู้อะไรเนี้ยมีสติรู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่อันเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้รู้ว่ากําลังคิดอยู่เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่่าไมมีสติ การระลึกรู so ้ตรงนี stars, like mm ้หมายถึงว right. yup. so ่าในทางที่จะไปปฏิบ <HIV> ัต right. ิท <Okay. S 2> right. so ุกเนี่ยก็คือการระลึกรู้รู้รู้อาการของของของจิตอะว่าง่ายๆรู้อาการของกายนะรู้อาการของเวทนานะครับแล้วก็รู้ธรรมทั้งปวงที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ขันห้าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการระลึกรู้สภาวะธรรมพูดง่ายๆแท้จริงแล้วสภาวะธรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีเยอะแยะในตามตำราเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ย่อได้แค่2อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมนะครับหรือจะย่อเป็นสังขตธรรมกับสังขตธรรมก็ได้รูปธรรมกับนามธรรมก็เล็งในแง่ของคุณสมบัติสําคัญที่สุดของสองสิ่งนะครับก็คืออันนึงมันรับรู้อารมณ์ได้อีกอันนึงรับรู้อารมณ์ไม่ได้อันนี้คือรูปธรรมนามธรรมแต่ถ้าเล็งถึงลักษณะของการสิ่งหนึ่งมันถูกปรุงมาจากสิ่งอื่นนะครับไก่สิ่งหนึ่งไม่ถูกปรุงมาจากอะไรเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ย ก็จะแบ่งเป็นสังกัตตาธรรมกับอสังกตาธรรมอสังกตาธรรมมันมันหาจุดตั้งต้นหาจุดสิ้นสุดไม่ได้มันเป็นการวิมุตต์มันเป็นสิ่งที่มันเหนือการเวลาถ้าเราเห็นตรงเนี้ยถ้าเราเห็นสภาวะการรับรู้ตรงเนี้ยนะทำนองเดียวกับที่เห็นความว่างเปล่าที่ไร้ขอบเขตจริงจริงมันก็ทํานองเดียวกันแหละแต่มันคนละอย่างกันนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นนะเราจะเห็นมันมากขึ้นแล้วเราจะมีสติรู้โดยที่ไม่ต้องพยายามมีสติแต่นั้นเพราะนั้นย้อนกลับมาที่ ที่หลวงพ่อท่านว่าว่าเออมีการปฏิบัติหรือไม่มีการปฏิบัติเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าตัวถึงที่สุดแล้วนะครับที่เป็นตัวความว่างจริงๆนะความว่างอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่มีการปฏิบัติเลย<ช>พวกที่มีสติปัญญาฉับพลันเนี่ยอย่างเช่นพวกอนักบวชเซนนะที่ที่ที่<ช>หลายๆท่านที่ท่านเอรู้ทำแจ่มแจ้งจริงๆเนี่ยท่านก็จะบอกอ๋อแท้จริงแล้วไม่มีอะไรต้องปฏิบัติก็ถูกนะ<ช>นะฮะแต่ ก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่ผิดนะเพราะว่าถ้ามันยังหนาแน่นไปด้วยชินกับการปรุงแต่งแล้วก็หลงไปหลงไปชินกับการเกิดตันหาอุปาทานนะครับพบชาตินะครับชินกับการเกิดอย่างเงี้ยชินกับการกับสังขารอย่างเงี้ยมันก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันแหละนะครับต้องปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อรัวความเคยชินที่จะแบบพอรับรู้อารมณ์แล้วแทนที่จะไหลไปเรื่อยโดยขาดสติก็จะต้องปฏิบัติให้เจริญสติขึ้นมา แต่การจเจริญสติเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่อาจจะทําให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันแต่มันเป็นฐานของปัญญาต่อไปลองคิดดูถ้าเรามีสติรู้ตัวเรื่อยๆเรารู้ว่าเรากําลังกินกําลังเดินกําลังคิดไปเรื่อยนะครับความระลึกรู้ตรงนี้จะเป็นอารมณ์ให้จิตไปจดจ่ออยู่แต่มันก็จะอยู่แต่ความรับรู้อารมณ์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไม่เอาสิ่งที่มันเห็นจริงนะครับตรงนั้นเนี่ย ไปต่อยอดพิจารณาต่อน ะ, อะโดยการอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันเข้าใจนะวิธีการที่จะศึกษามีมากมายนอาจจะอุปมาอุปไมยหรืออะไรก็แล้วแต่จากประสบการณ์ชีวิตแต่มันต้องมาจากฐานที่เห็นจริงนะไม่ใช่มาจากสัญญาเพียวๆซึ่งมันเป็นมายาอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าใช้สัญญาเพียวๆเนี่ยอาจจะเรียกทีหลายๆท่านเรียกว่าวิปัสสนึกได้แต่ถ้าใช้สิ่งที่เห็นจริงเช่นเห็นการเห็นรู้รสอ่าเห็นการเห็นอย่างเนี้ย เห็นสภาวะที่รับรู้อารมณ์เนี่ยเล่ามาพิจารณาเอาสิ่งที่เห็นจริงมาพิจารณาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นได้แต่ถ้ามีแต่สติเปลียวๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นแค่สมาธิมันก็อ่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมาธินิยามของสมาธิก็คืออะไรคือการอยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมคือการจิตจับอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับดังนั้นนี้เนี่ยอ่าวิธีการทำสมาธิทําได้หลายอย่างนะจะใช้รูปธรรมเป็นอารมณ์ก็ได้นามธรรมเป็นอารมณ์ก็ได้นะแต่นามธรรมก็จะยากหน่อยนึง ใช้รูปธรรมเป็นรมเช่นใช้ลมหายใจอย่างเงี้ยนะครั บ, รบแต่ถ้าใช้นามาทําเป็นรมอาจจะใช้สภาวะเนี่ยการเห็นการได้ยินอะไรพวกนี้ได้นะครับ่ตรงนี้มันก็จะว้เออจะยากขึ้นนิดนึงอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่สนัวงผมที่อยากจะแชร์ให้ เพอสาธุเพื่อเพื่ะพจะมีประโยชน์นะครับอ๋อมีประโยชน์มากเลยค่ะสาธุค่ะคุณเมียชนค่ะครับครั บ, บ ค, ครับพอดีหวงพ่อท่านท่านอาจจะจะพูดอะไรก่อนมรดการครับก็ครับจึงไม่มีหรอกเพราะว่าฟังอยู่พักพกหน่อยนี่ค่ะวันไหนต้องแบบว่าเรียนเชิญคุณเมียชนมามาช่วยค่ะพอดีนะมีมีความรู้มีความรู้ที่จะเออเขาเรียกว่า ก็เรียกว่าอธิบายเนาะอธิบายเป็น<า>เป็นอกขระเออเป็นแจกแจงนะแต่ทีนี้สุดท้ายยังไงก็ตามนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยะนะพะที่พูดมา ค, คือถูกหมดแล้วแหละเวันนั้นพอโอเคมีความรู้มีความสามารถแต่มันก็เป็นความปรุงแต่งนะแล้วก็ส่วนทมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอาสังขารแต่ทำเป็นทมที่ไม่ปรุงแต่ง แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ไม่มีใครหลงไปไปยึดนะเพียงแต่ว่ามันมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นๆ น, น, นะเมื่อปราศจากความเมื่อปราศจากผู้ยึดถือตรงนั้นแหละมันเป็นความว่างที่แท้จริงนะคือไม่มีเราละไม่มีตัวตนที่เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้อะไรทั้งหมดเลยตรงนั้นเป็นความว่างที่ทแท้จริงคือว่างจากว่างจาก คือมันเป็นพ้นทุกไปเลยนะเป็นความบริสุทธิ์หมดจดคือพ้นไปเลยนะแต่ความรู้นี้ก็ยังเป็นความรู้ของธรรมธรรมชาติอยู่ซึ่งก็มีอยู่อย่างนั้นแหละครับพูดไปพูดมามันก็ก็วน ล, ละวครั้งนี้เพราะว่าพูดไปก็เป็นสังขารเนะาะหยุดพูดอถ้ามีตัวเราเป็นผู้หยุดพู ด, พดมันก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะพูดหรือไม่พูดแต่ถ้ายังยังยึดมั่นถือมั่นมันก็ค่าเท่ากันคื อ, อยังเป็นทุกข์ได้ เอาเป็นว่าให้เข้าใจเป็นปัจจตังเนาะเออตรงนั้นแหละที่สุดทางทุกจริงจริงค่ะสาธุค่ะค่ะขอเชิญท่านหมอพนะค่ะพี่แมงค่ะใช่ขออนุญาตหลวงพ่อคือเวลาเราคุยเรื่องเรื่องทำแมบภาคปฏิบัติไปสู่ความมีหมดรุดคนเนี่ยมันจะเหมือนกับงูที่กินหางตัวเองเนาะแล้วมันก็ขดไปลนงกลมพูดไป หัวกลางห่างบนอยู่อย่างนั้นน่ะมันพอมันโคเป็นวงกลมมันก็ไม่มีหัวมีหางสักเท่าไหร่แต่ความวิมุตตพนเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับตรงกลางของของไอ้วงโดนัทงูเนี่ยคือมันไม่ไม่ที่เราพูดกันทั้งหมดเหมือนกับเป็นสดอกเหนืองอูทั้งนั้นแหละแต่ว่าไอ้สังฆตาธรรม อาสังกะัตธรรมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ลอกเหนือลอกเหนือไปเสียทั้งหมดดังนั้นเวลาการที่พยายามอธิบายอะไรในสิ่งที่ในสิ่งที่สร้างภาพหรืออธิบายให้คนอื่นเข้าใจคุยกันก็เถียงกันอยู่แต่เรื่องเนื้องนูกันนั่นแหละก็ประมาณนั้นละคะ่ะถ้าถ้าผลม่จากเนื้อ ง, งูเสียได้นั่นแหละ ก็ถึงจะได้พ้นรุ่กันถ้ามันค่ะอือใช่หลวงพ่อยังเคยเหมือนกับพูดให้ญาติโยมฟังนะว่าบางทีธรรมะที่มันมันเป็นมันไม่ปุงแต่งแล้วเนี่ยมันมันมันเหนือคำพูดคือมันพูดไม่ได้เลยนะคแต่ครั้นถ้าเราไม่พูดเลยมันก็ไม่รู้จักสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นไม่ได้ พอพูดไปมันก็เป็นสังขารที่วนมันก็ยากอยู่แต่เอาตัดสินใจแล้วก็คือต้องพูดแต่อธิบายให้ฟังว่าที่พูดนี่นะมันเป็นของสังขารนะยังไม่ใช่จริงแท้นะพูดถ้าเกิดประโยชน์ค่ะค่ะไอคลิปวิดีโอที่ก่อนหน้านี้เนาะที่บอกว่าอะไรนะรู้แท้ใช่ไหมลืมแล้วอันนี้คือไม่มีการอธิบายใดๆทั้งหมดเลย อันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสอนแต่ว่าไม่มีคำพูดให้เรียนรู้เอาเองอในนั้นบอกว่าอะไรนะอธรรมชาติรู้เนี่ยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเนาะแต่ไม่ปรากฏตัว<ไ>ผู้รู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ที่โยมอะไรที่พูดถึงนี่แหลนะเนาะตรงนั้นแหละคือเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่มีอยู่มีแบบไม่ปรากฏก็ลองไป ไปสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงจริงตอนต้นรายการหลวงก็พูดแล้วนะแล้วก็มีการ เ, าเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจนะอย่างเช่นบอกว่าเอา้ยกมือถือขึ้นมาดูดิมือถือที่เราเนี่ยเล่นเข้าในใช้ในการเข้าว่องคลับนี่นะยกขึ้นมาดูดิแล้วก็เมื่อดูแล้วเนี่ยเห็นตัวเองได้ไหมรู้ตัวเองได้ไห ม, มแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการ รู้จักว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถรู้เราได้แต่ธรรมชาติ น, นั้นน่ะเป็นความมีแต่ไม่ปรากฏตัวแล้วธรรมชาติที่รู้เรานั่นแหละเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเราคือพ้นไปจากขันห้าพ้นไปจากสังขารก็เป็นอสังขตะธรรมคือเป็นรู้ที่ไม่ผงแต่งนะแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงนี้เลยก็จะเข้าใจเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ทุกข์ก็คือขนา้คือเรียกว่าตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์ แต่ธรรมชาติที่รู้ทุ ก, กันนั้นเเป็นความพ้นไปจากทุกนะซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปสร้างไปแต่งแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ทุก์มีอยู่จริงแล้วมีความรู้ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปพบมาก็เลยมาบอกให้เราได้รู้จักกันจะได้ไม่เอาตัวเราไปไปหาที่ไหนอีกเพราะจริงๆอมันรู้เราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้ว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นทุกแต่ตัวมันไม่เป็นทุกมไม่เป็นทุก